บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในข้อความกล่าวอธิษฐานกรรมฐานในตอนต้นนั้นโดยจุดมุ่งหมายก็คือต้องการให้จิตเป็นสมาธิซึ่งจะเพิ่มพูนขึ้นโยดยลำดับ ในบาลีเองทรงแสดงไว้สองระดับคื อ, อปจจาระและอัปปาอุปจาระก็คือจิตที่มีความสงบเพิ่มขึ้นจากยามปกติแล้วก็อยู่ช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วคลายไปตกปกติต่อไปซึ่งการปฏิบัติในแนวนี้ผู้เริ่มจเจริญกรรมาฐาน หรือปฏิบัติกรรมฐานกันมาโดยลาดับบางครั้งเราก็สัมผัสความสงบระดับนี้ในช่วงขระดหนึ่งอาจจะสีห้านาทีถึงสิบนาทีแต่แล้วจิตก็ฟุ้งซ่านเหมือนเดิมแต่จริงแล้วโดยผลของการปฏิบัติเมื่อเทียบกับหลักอื่นที่ทรงแสดงไว้เช่นทรงแสดงว่า ที่จะหลุดพ้นจากกับนาฏของโทสะโดยเมตตาที่บุคคลให้เกิดขึ้นแม้ชั่วลัดนิ่งมือเดียวก็เป็นธรรมมีผลมีอนิสงฆ์มากแล้วสมาธิอีกประการหนึ่งอีกระดับหนึ่งที่ท่านเรียกในรุ่นหลังว่าคณิกะสมาธิที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะแต่ละขณะนั้นในช่วงใดที่ใจส ง, งบ ด้วยสมาธิที่เกิดขึ้นแต่ละขณะจะทําทให้อุกคนได้สัมผัสความสงบซึ่งผิดแปลกออกไปจากใจในยามปกติจะช่วยไปแรงผลักดันให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะสัม ผ, สผัสผลลึกซึ้งขึ้นไปกว่านั้นและเมื่อปฏิบัติไปบ่อยเขา่าก็ทําไปบ่อยเขา่าความสงบก็เพิ่มพูนขึ้นที่เรียกว่า เป็นอุปจารสมาธิและเมื่อปริมาณความสงบเพิ่พมขึ้นยิ่งกว่านั้นท่านก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิและความสงบในจุดนี้ถ้าขึ้นถึงระดับที่เรเรียกว่าฌานก็ถือว่าเป็นอัปปนาสมาธิอยู่นั่นเองเพราะการที่มีชื่อแตกต่างกันถึงสมชื่อก็เป็นการพูดถึงช่วงระยะเวลาที่ใจสงบเท่นั้น กตํานองใกล้ๆก็ก เ, รเรียกคนเป็นเด็กเป็นหนุม่มเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่เป็นคนคนแก่คนชราก็ที่จริงก็เรียกคนคนเดียวกันแต่เป็นการเรียกคนละช่วงกันตามอาการที่ปรากฏแก่ก ร, ร่างกายของบุคคลหลนั้นผลที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะแด่างเดียวกันแต่ว่าจะได้ยินได้คําได้ได้ยินได้ฟังข้อความหรือคําที่ใช้เรียกเป็นอันมาก แต่จริงแล้วเป็นการพูดในแต่ละช่วงแต่ละขนะของอาการจิตที่ปรากฏบุคคลสามารถเห็นได้สัมผัสได้แต่ก็สะท้อนอาการของจิตเรานั้นออกมาโดยจุดมุ่งหมายในข้อต่อไปก็คือเรียกว่าเป็นจิตศิษยาหรือการศึกษาในเรื่องจิตคนนี้ท่านสาธุชนลาจอมทราบว่า หลักรมคำสอนในฐามพระพุทธศาสนานั้นแม้จะส่งแสดงโดยวิจิตวิสดาจมนกมากแตเกิดพ่ว่ากันว่าถึงแปดมืนสีพันพระธรรมกัณฑ์แต่เมื่อพูดถึงการปฏิบัติโดยสรุปแล้วท่านก็พูดแค่สีขาสามท่านเด็กสำหรับชาวบ้านโดยทั่วไปแต่านพระเจ้าสอนในกลุ่มคนที่นั่งฟังในขณะนั้นมีชาวบ้านมาก จะส่งใช้คำว่าทานศีลภาวนาแต่กว่ามีพระมากก็จะส่งใช้คำว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นข้อปฏิบัติตามความรุนแรงของกิเลส ท, ที่แตกต่างกันเราดูแลวกล้ๆกับทำเฟอร์นิเจอร์หรือทำอะไรก็ได้เครื่องไม้เครื่องมือที่ใชน้นัน เป็นการใช้ตามขั้นตอนในขั้นตอนนี้จะใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งไม่ได้เช่นขั้นตอนจะต้องถากไปใช้กบก็ไม่ได้ไว้ใช้ถากไว้ก่อนแท้จริงแล้วเราทําจากท่อนไม้ท่อนเดียวกันแต่เครื่องไม้เครื่องมือก็เปลี่ยนแปลงไปลักษณะของไม้ก็เปลี่ยนแปลงไปจิตใจของบุคคลก็มีมลักษณะเช่นเดียวกัน ซึ่งก็สอดคล้องกับกิเลสสประเภทที่เวลาสอนชาวบ้านทรงใช้คำว่าโลภโทสะโมหะที่เราพูดโลกโกรงแต่สอนพระก็จะเน้นคำว่าราฆาโทสะโมหะอันที่จริงก็ลักษณะอย่างเดียวกันแต่ ว, ว่าจุดเน้นต่างกันเท่านั้นเองกิเลสทั้งสมกองนี้ ม, นมีระดับหยาบกลางละเอียดของเขา เป็นกิเลสประเภทหยาบที่ออกมาบังคับไปเราพูดรถรมในทางทุจริตเช่นโกรธ จ, จัดจนคุมไว้ไม่ได้ออกมาในทางกริยาอาการบ้างออกมังถาว aja บ้างออกมาทางาการใช้อวัยวะมือเท้าเป็นการรัฐุสรายกันบ้างซึ่งอาจจะใช้เครื่องทุ่นแรงได้ยิ่งงินไปกว่า น, นั้นนั้นแสดงเห็นว่า ใจิตใจของเราถ้ายามปกติเราก็ไม่ทําอย่างนั้นแต่ว่าในขณะนั้นจิตมันถูกกิเลสครอบงําแรงแรงจนเราคุมไวไม่อยู่แอาการไม่เหมาะสมเหล่านั้นก็ออกมาซึ่งถ้าหากว่าได้มีการถ่ายวีดีโอดูกิริยาอาการของเราเวลาโกรธ จ, จัดๆถ้ยามที่จิตใจเราปกติเรามานั่งดูวีดีโอเหล่านั้น เขาจะรู้สึกสลดตูดใจรู้สึกสังเวชตัวเองรู้สึกสงสารตัวเองที่มีการประพฤติกระทำที่ไม่เหมาะสมออกไปอย่างนั้นในลักษณะเหล่านี้แต่ละคนก็มีประสบการณ์ด้วยตัวเองือบางครั้งที่เราทําไปแล้วพรสติสัมปชัญญะคืนมาสนแสดงว่าในขณะนั้นกิเลสเขาก็าลดลงไปแล้วจิตสํำลึกก็จะเกิดขึ้นจะเกิดสํานึกเสียใจ เตุลึงก็มีการไปขอขามาเขาหรือตั้งใจสำรวนวังต่อไปเป็นต้นนี่ก็เป็นลักษณะโดยปกติธรรมดาคนกิเลสประเภทที่ล้นออกมาจากนั้นพูทเจ้าก็ทรงสอนระดับของศีลศิกขาหรือศึกษา ร, ระดับของศีลที่มุ่งไ่มีการปฏิบัติควบคุมคนก็คงโลกโกรธโรลงอยู่นั่นเอง เพียงแต่ว่าไม่ให้อาการของความโลภความโกรธความหลงออกมาข้างนอกจนคนอื่นรู้ได้เห็นได้ได้มีการพูดการกระทาที่กระทบกระทั่งต่อสิ่ที่ทางร่างกายทรัพย์สินคู่ครองของบุคคลอื่นซึสรุปรวมแล้วตรงนั้นก็คือสีลสามข้อแรกแต่สำรวรวังมดเป็นไม่ให้มีการพูดกระทบกระทั่งต่อ บ, บุคคลอื่น ก็คือสีลข้อที่สามที่สี่คราวนี้จะเห็นได้ว่าในการปฏิบัติเพื่อมุ่งขัดเกลากิเลสนั้นในช่วงนี้ก็คล้ายๆกับไม้ที่จำเป็นจะต้องถากมันก็ใช้ขวานสำหรับถักตอนนี้เรายังใช้กบใช้กระดาษทรายยังไม่ได้พะการปฏิบัติ เข้าถึงจิตใจมีความลึกซึ้งลงไปโดยดําดับซึ่งในประการปฏิบัติระดับที่เป็นศีลสิกขาจริงๆก็ต้องเชื่อมกับที่ใจแทนที่กะยกตัวอย่างให้ฟังมากกว่าการสำรวมวงังอินทรีย์คือเวลาหตุรูปวังเสียงดมกลิ่นริ้มรส ถ, ถูกต้องยุดแล้วนอนแข็งซึ่งเป็นปกติธรรมดาในชีวิตของบุคคลจะต้องประสบสิ่งเหล่านี้ท่าน การสํารวมระวังจิตไว้ไม่ให้เกิดความยิน ด, ดียินร้ายมากเกินไปในชั้นขององค์มักแล้วก็เป็นระดับจิตสิกขาในชั้นของศีลไม่ได้สอนไปที่ชาวบ้านคือศีลระดับทั่วๆไปก็ไม่ได้สอนไว้แต่พอถึงระดับที่เรียกว่า เจตุปาลิสุดที่ศีลทั้งสี่ที่ส่งบัญญัติไว้สําหรับพระสงฆ์กับภิกษุณีสามเณรสามเณรีตรงนี้จะกลายเป็นศีลสําหรับภิกษุกับภิกษุณี ม, มาทำถ้าขาดการสํารวมระวังพก็ทำให้ศีลนั้นบกพร่องนี่แสดงเห็นว่าการปฏิบัติพัฒนาจิตใจมันก็เพิ่มปริมาณของความดีขึ้นไปโดยลําดับ จะไปเชื่อมต่อกันใกล้ๆกับการเรียนในชั้นต่างๆซึ่งจะเห็นว่าวิชาแต่ละชั้นนั้นมันจะมีการเหลื่อมล้ากันเข้าไปวิชารับปัญญาตรีเป็นอันมากที่อยู่ในปัญญาโทปัญญาปัญญาโทปัญญาตรีเป็นอันมากที่อยู่ในปัญญาเอกนแสดงว่าก็มีการเชื่อมต่อถึงกันธรรมะปฏิบัติมีลักษณะอย่างนั้น าแนวของกิตติศิษขาก็คือการปฏิบัติที่เน้นไปในเรื่องของ จ, จิตใจหรือแก้ปัญหาระดับความคิดไม่ได้แก้ปัญหาระดับที่เป็นทุจริตทางกายทางใจแต่ปัญาปหาที่เกี่ยวกับความคิดคือเกิดขึ้นปรุงจิตนั่นแม้ท่านจะเรียงกิเลสไว้เป็นนั้นมาก จะถึงเป็นกิเลสพันห้าตนาร้อยแปตางแต่จริงแล้วก็คืออาการที่ปรากฏออกมาในรูปของนิวรณ์คือท่านสรุปรวมเป็นเรื่องของนิวรณ์กิเลสที่คิสายไปด้วยอำนาจของความใคร่ในสิ่งตนใคร่สนชอบใจพอใจจะเป็นเรื่องอดีตก็ตามอนาคตก็ตามปัจจุบันก็ตามแต่แม้แต่โลกก่อนลก โลกนี้โลกหน้าก็ตามมัจะคิดยังไงก็ตามถ้าคิดโดยหน้าของความใคร่็ระจัดว่าความคิดในขณะนั้นเป็นกามาฉันทะซึงเป็นนิวรณ์ข้อแรกไปคิดด้วยความไม่พอใจไม่ชอบใจหงุดหงิดรำคาญเกลียดแค้นอาฆาตปิยบัตจึงมีลักษณะกระทบกระทั่งใจ ทำให้เกิดการมุ่งความไปบติเจ็ดร้อนต่อสิ่งต่อคนที่เราคิดถึงเพื่อสนองต่อความรู้สึกของเราที่มีความไม่พอใจไม่ชอบใจต่อคนต่อสัตว์ต่อสิ่งเหล่า น, นั้นและสิ่งเหล่า น, นั้นจะเป็นเรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันใกล้ๆก็ตามก็สรุปว่าก็เป็นเรื่องของความโกรธเกิกิเลสสายโทสะบางอย่างเป็นเรื่องอาการทางจิตและการทางกายผสมประสานกัน คือความเงาเหงาหานอนซึ่งซึมงอยเงา ห, าหดผูกต่างๆนั้นเพื่อสังเกตว่ากายกับจิตนั้นจะสัมพันธ์กันแรงถ้ากายเราไม่พร้อมจิตก็หดผูกซึมเศร้าตามไปด้วยบางทีก็จิตซึมเศร้าหดผูกก็ทําให้ร่างกายอ่อนเพียเพรแรงตามไปด้วยเป็นสิ่งที่บุคคลแต่ละคนเคยประสบมาครั้งแล้วครั้งเดีย เป็นอาการที่ท่านเรียกว่าสิ่งสภาพกายสภา พ, าภาพาจิตไม่พร้อมแล้วก็สะสมไปอีกนานแล้วกลายเป็นอาการคล้ๆก็หมดอะไรตายอยากในชีวิตลักษณะเหล่านี้เป็นอาการของกิเลสด้วยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพด้วยอีกอาการหนึ่งเป็นความสายไปของจิตกับความลังเลของจิต ทีราเรีุตจกักกุกจักก็เป็นเรื่องของความหลงเพียงแต่ในชั้นนี้พูดเฉพาะเป็นความคิดคืออยู่ที่จิตใจเพราะเราจริงๆพบว่าบางครั้งในท่านพูดเฉพาะกายกับวัจจามันจริงกิเลสบางครั้งมันก็เราเห็นก็เป็นรูปธรรมเช่นว่าคนฆ่ากันมันเป็นกายยตุจริก แต่ ก, การทำผิดด้วยกายถ้าผิดศีลข้อประนติบัติแต่ถ้าเราสืบสาวถึงที่มาแล้วก็จะพบว่ามันเกิดไปจากจิตก่อนที่จำนวนมาลีทันช้กล่าว่าวัฏกวัฏกเจตนาคือเจตนาอยากจะฆ่ามพราะนั้นเกิดจะเชื่อวูบหนึ่งซึ่งก็สามารถที่จะทำได้แล้วเป็นลักษณะของ บูปหนึ่งของอาร์ตรมแต่ว่าคนเหล่านั้นอาจจะมีอาวุธอะไรพร้อมอยู่ก็าอาจจะทําอะไรได้ผลตัวผลักดันให้เกิดการฆ่าก็าอาจจะเกิดจากความโลภเห็นทรัพย์สมบัติของเขาเห็นอะไรของเขาก็าอยากได้แต่เมื่อเจ้าของก็หวงแหนเอาไว้หรือว่ากลัวตัวเองจะถูกตำรวจจับคุมมีประจักษ์พยานรู้เห็นการกระทําแล้วก็ฆ่า การค้านั้นเป็นความโลภในสิ่งของที่เราอยากได้หรือความโกรธแค้นในคนที่เราฆ่ามันก็ว่ากันเป็นกรณีๆไปแต่จริงๆแล้วมันเกิดมาจากใจที่คิดถึงบุคคลนั้นในทางไม่ดีแต่ว่าถ้าในกรณีต้องการทรัพย์สมบัติเราก็มุ่งได้ทรัพย์สมบัติของเขาคนแสดงว่าความโลภมันเกิดในตัวทรัพย์สมบัติแต่ความโกรธมันเกิดที่ตัวคน ในที่สุดก็ต้องปลดต้องฆ่าเขาก็เป็นอาการของทั้งโลภะโทสะออกขัดทั้งเราจะเห็นว่าทรัพย์สมบัติเหล่านั้นที่จริงเราก็หาเอาเองก็ได้อาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ไม่จําเป็นจะต้องฆ่าใครคือฆ่าความโลภแต่พอฆ่าเขามันก็มีปัญหาอีกมากมายหก่ยกองเพราะใจมันหล ง, หลงในขณะนั้นเหตุผลสติสัมปชัญญะมันก็มีไม่มาก แต่เหล่านี้ถ้าหากมันเกิดความคิดที่เป็นกุศลขึ้นมาเพียงชั่วขณะหนึง่งก็หยุดได้บางการหยุดตัวเองในโอกาสต่างๆในรุ่ต่างๆแต่ละคนนั้นมีปุะสบการณ์ตรงด้วยกันทั้งนั้นว่าเราเคยหยุดตัวเองไว้เป็นนั้นมากแล้วมายความว่ายังไงมากความว่าในขณะนั้นกิเลสมันเกิดจริงแต่ธรรมะมีมากกว่าสติสัสมปชัญญะก็มีกำลังมากกว่าก็ก็ดึงไว้ได้บาทีก็ทําให้สลายไปได้คือหมดไปได้ ถึงแม้จะไม่หมดไปแต่ก็ลดความรุนแรงลงไปความรุนแรงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นมันก็ไม่เกิดขึ้นผลจิตใจของบุคคลจึงเป็นตัวการใหญ่ที่สะท้อนพฤติกรรมออกมาในละะักษณะต่างๆการศึกษาในแนวจิตศิลานั้นจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มครองใจให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็อนนี้ลองสังเกตว่าถ้าคนเราเคารพแต่กฎหมายแต่ขาดปณิธานภายในใจในการเคารพกฎหมายนั่นเองก็ต้องมองดูเจ้าหน้าที่มีหรือเปล่าถ้ามีเจ้าหน้าที่บุคคลบางคนก็ระเมิดหรือผ่าไฟแดงไปเฉยๆมองซ้ายมองขวาไม่เจอตำรวจ ก, ก็ไปงงแก่นี่แสดงว่าคนเหล่านี้ต้องใช้าการควบคุม ตรกาศการควบคุมในช่วงใดแกก็พร้อมที่จะละเมิดกฎหมายในขณะนั้นในดับศีลก็จะมีลักษณะที่ประนีขึ้นไปกว่านั้นแต่ความมั่นคงนั้นจะไม่มีมากต้าว่าคุณธรรมไม่เข้าถึงใจหรือภ า, ายในใจยังเก็บกดกิเลสประเภทลบ ก, กฎหลงไว้ป้าต่อหน้าคนอะไรก็อาจจะไม่ละเมิดศีล แต่ว่ามองซ้ายมองขวาไม่เห็นคนก็อาจจะละเมิดศีลก็ได้เพราะศีลบางข้อ น, นั้นอาจจะทำได้รุนแรงโดยเฉพาะศีลที่สูงขึ้นไปจะเป็นโทษบาปที่รุนแรงได้โดยทำในรับหลังคนก็เรียกว่าอยู่คนเดียวก็ทำความผิดได้แม้าจะาไม่เป็นการประทุจรายต่ตอบู้คนด้ าการศึกษาปฏิบัติจึงมุ่งให้เข้าถึงใจคือธรรมะอยู่ภายในใจที่ท่านเรียกว่ามีธรรมมีศรรมมีล ม, มีสมาธิมีปัญญามีสติมีสัมมาจัญญะคือหมายความว่าสิ่งเหล่านั้นก็ต้องสร้างให้มีขึ้นตอนการปฏิบัติระดับจิตสิกขาก็คือการปฏิบัติตามอริยมรรคสข้อหลังซึ่งก็หมายความว่า ระดับศีลก็ดีอยู่อะดีอยู่แล้วหรือว่าอย่างน้อยก็ดีอยู่ระดับหนึ่งพวกความเห็นชอบความคิดชอบก็ต้องมีอยู่ระดับหนึ่งไม่ใช่ไม่มีเลยถ้าไม่มีเลยมันก็ทำไม่ได้เพราะทั้งหมดนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากความเห็นชอบด้วยความคิดชอบการที่เราละ บ, บาปความเพ็นปุ่น การที่เรารักษาศีลความธรรมปฏิบัติธรรมนั้นก็เกิดขึ้นจากความเห็นชอบเป็นคุณค่าของธรรมะเหล่านั้นแล้วปฏิบัติเห็นคุณค่าของศีลนนรักษาเห็นคุณค่าของทานแล้วให้ซึ่งก็หมายถึงการได้ศึกษาเล่าเรียนมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นมาเห็นคุณเห็นโทษของเรื่องนั้นมาประจักษ์แจ้งแก่ใจอย่างน้อยก็ในระดับที่ทําให้เราปฏิบัติความดีได้ ในส่วนจิตติศิขาที่สาคัญนั้นก็อย่างที่ปรากฏในตอนต้นของมาสติปทานาสุดอิทธิธรรมะที่ทรงเน้นอยู่ทุกจุดก็คือสติสมัญญาความเพียรซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ทุกเรื่องจะต้องมีสติสมัญญาความเพียรแต่ในอริยมรรคนั้นทรงเรียงที่ความเพียรไว้ก่อน อันที่จริงการเรียงก็คือการเรียงเวลาการปฏิบัตินั้นก็คลุกคล้าเข้าด้วยกันตำนองใกล้ยๆกับเราจะเขียนตำราทำอาหารเวลาเราเขียนมก็ต้องเรียงเรียงลำดับจะาอะไรขึ้นก่อนขึ้นหลังก็ได้แต่ลำดับการปรุงนั้นต้องมีเวลาปรุงก็ต้องบอกอะไรอยู่ก่อนอะไรอยู่หลัง แต่พอดูในภาชนะมันเกิดผสมกันหมดรสชาติของสิ่งเหล่านั้นผสมกันเป็นเนื้อเดียวกันธรรมะปฏิบัติก็จะเป็นอย่างนั้นคือตอนเขียนเมื่อต้องเขียนมันก็ต้องมีอยู่บนอยู่ล่างเพราะการเขียนมันก็กินเนื้อที่แต่จริงแล้วเราจะเอาข้อใดไว้ข้างบนก็ได้แต่สมมติอมเอาสมาธิไว้ไว้ก่อนก็ได้ มาสมาธิสมาติสมาวยามะก็ได้ในขณะนั้นถ้าเรียงอย่างนั้นสมาสมาธิก็เป็นตัวกระตุน้นเป็นตัวเร่งให้มุ่งหมายเพื่อจะสัมผัสสมาธิแต่ว่าเรียงไว้ตามระดับอย่างนั้นก็ได้พอพอถึงปฏิบัติแล้วก็จะเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันหมายความว่าในขณะที่จิตสงบนั้น มันมีทั้งความเพียรชอบทั้งตั้งสติชอบทั้งตั้งใจมั่นชอบเดาแสดงว่ามีอยู่ด้วยกันํำนองกัรปรุงอาหารนาฏิกาแล้วตัวจิตสิกขานันเป็นการปฏิบัติคล้ายๆกับต่อสู้กับสิ่งที่ไม่มีรูปร่างคือกิเลสมันไม่มีรูปร่าง เพราะฉะนั้นปริมาณสติสัมปจนญาตความเพียรจะต้องมากพอถ้าไมอย่างนั้นแล้วเราก็จับเขาไม่ได้ต่อสู้ก็ไม่ได้ให้เราสังเกตว่าแม้แต่การภาวนาวาพัพุโทโภพุตโธหรือว่าทางสติเราเลือกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเราก็ริงก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งเข้า ว, วิ่งออกคุมก็ไม่เคยอยู่ แต่ถามว่าทำไมคุมไม่อยู่คือสติเรามีกำลังไม่มากพอสติมันขาดเลยมันแับไปเลยความเพียรเองก็ขาดความตดเนึ่นเพราะสติขาดความเพียรก็หย่อนพันปริมาณของธรรมะเหล่านี้จึงทรงสอนในรูปเพิ่มขึ้น แต่การสอนในแนวเพิ่มธรรมะคือแนวของไตรจิตขานั้นพึงสังเกตว่ามันเหมือนกับที่เราพูดกันในชีวิตธรมธรมดาธรรมดาเราพูดบอกให้คนป่วยรับประทานยาในครัวจัดอาหารเสร็จแล้วก็เรียกทุกคนมากินข้าวหรือการใช้คําก็คำคำเดียวรับทานข้าวเรากินข้าวแต่ยาข้าปราอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนั้น เราก็ไม่บอกว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงคือไม่จำเป็นจะต้องบอกแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่รับประทานข้าวแล้วก็จบตรงแค่นั้นมันมีสิ่งที่เป็นประโยชน์เกิดขึ้นจากข้าวที่รับประทานเข้าไปอีกเป็นนั้นมากเพียงแต่ไม่ต้องบอกท่นนั่นเองคนธรรมะปฏิบัติในส่วนที่เป็นภาวนาและพูดง่ายว่าในส่วนที่เป็นกุศลธรรมขวายเหต กจะทรงสอนในรูปของการปฏิบัติแต่เมื่อปฏิบัติแล้วปริมาณของสิ่งเหล่านี้ที่เขาเกิดขึ้น เ, นเขาก็จะขจัดสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเขาออกไปทำนองคล้ายๆกับเปิดแอร์คอนดิชันขึ้นมาในตอนแรกๆความร้อนยังมีอยู่พอปริมาณความเย็นเพิ่มขึ้นเนี่ยปริมาณความร้อนก็ลดลงไปแต่เวลาพูดก็ไม่จำเป็นจะต้องพูด จะบอกให้เปิดแอร์อย่างเดียวก็พอแล้วนั้นคือแนวของการปฏิบัติประเด็นสำคัญยังส่งสอนให้บุคคลปลูกฝังความพอใจในการที่จะป้องกันความชั่วที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นแล้วก็จัดความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งก็หมายความว่าดูจิตเราออกในขณะนั้น ว่าจิตก็เราในขณะนั้นเป็นอย่างไรเทลงความคิดมาเกิดน้อมเข้าไปหาสิ่งไม่ดีก็สลัดความคิดตัว น, นั้นออกไปแต่จิตแกต้องคิดก็หยุดคิดไม่ได้เพราะธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นจิตเป็นสิ่งที่คิดอารมณ์เรื่องอะไรแต่มีอะไรไม่รู้ก็นำมาคิดถ้าเราสังเกตว่าคนที่คิดมากนั่นเองคือคนที่พูดมาก ถ้าคนนั้นคิดฟุ้งสั่นคำพูดเขาก็ฟุ้งสั่นคือจับไม่ค่อยได้เรื่องในราวเพราะทั้งหมดมันเป็นการสะท้อนมาจากจิตแล้เมื่อจิตต้องคิดอารมณ์เรายอมไม่คิดบางอย่างก็ต้องให้คิดบางอย่างนั้นก็คือคิดสิ่งที่ดีงามทั้งหลายวิธีการของสมาธิก็คือวิธีการที่ดึงจิตมาอยู่กับสิ่งที่ดีงามเพื่อเอาสิ่งนั้นเอง เป็นเครื่องมือให้จิตทําความสงบให้จิตเกาะอยู่กับสิ่งนั้นทีนั้นยังกลายเป็นเครื่องอาศัยให้จิตเกาะเฉยๆอย่างที่ท่านอุ ป, ปมาว่ามันเหมือนเอาเชือกเอาเชือกที่ผูกโคไปล่ามไว้ในที่ใดที่หนึ่งไอ้หลักหรือเสาหรืออะไรก็ตามที่เราเชือกด้านหนึ่งไปผูกไว้ที่จริงก็เป็นเครื่องอาศัยแม่ลูกโคแก่ หลุดไปจากที่นั่นเท่านั้นเองการนำจิตให้เกิดความส ง, งบโดยใช้อารมณ์อะไรก็ตามสิ่งเหนั้นก็กลายเป็นเครื่องอัดใัยแต่ผลที่เราต้องการจริงๆก็คือจิตที่ส ง, งบแต่มองสร้างตึกสิ่งเหล่านั้นคล้ายๆกันนั่งร้านซึ่งจะเป็นจะต้องใช้ในขณะที่เราสร้างตึกแต่จริงเราต้องการตึกเราไม่ต้องการนั่งร้าน พ้นพอถึงจุดหนึ่งก็ต้องรื้อดั่งแรงแนวสมาธิก็เหมือนกันคือถึงจุดหนึ่งเราก็อยู่กับสมาธิไม่นยังเป็นจะต้องอาศัยสิ่งเหล่านั้นอีกแล้วเพราะการปฏิวัติจึงต้องปลูกฝังความพอใจในการทิจฉ ะ, ะความชั่วทั้งสองด้านคือทั้งที่ยังไม่เกิดแล้วก็ที่เกิดขึ้นแล้วที่ยังไม่เกิดก็ป้องกันที่เกิดแล้วก็พยายามลดละบรรเทาสงบระงรับดับไป ในขณะเดียวกันก็ต้องพอใจชอบใจในสิ่งที่ดีงามทั้งหลายส่วนใดที่ยังไม่เกิดก็พยายามที่จะเพิ่มพูนขึ้นเพราะ ก, การเพิ่มพูนจริงๆแล้วก็เพิ่มพูนในชีวิตประจำวันในยาบวุฒทั่วไปไม่ได้ไปเน้นี่ตอนนั่งสมาธิเก็บสะสมความคิดต่างๆเอาไว้ได้เห็นได้ยินได้ฟังอะไรก็ตามเห็นว่าจะทำใจให้สงบเพิ่มปริมาณปัญญาขึ้ น, นก็ใส่ใจสนใจในเรื่องเหานั้น จะเรื่องอะไรก็ตามที่ผ่านมาในชีวิตนั่นเองแต่มันคิดแล้วก็เศราาหมองขุดมัวไม่สบายใจก็ไม่รับเรื่องเหล่านั้นมาคิดหรือแม้จะเกิดคิดขึ้นแล้วก็ต้องสลัดความคิดตหลนั้นออกไปการสะสมความสงบขึ้นในชีวิตประจำวันแต่การพยายามป้องกันความชั่วร้ายทั้งหลายไม่เกิดขึ้นภายในจิตเราตึงเกรียดการเพียงพยายามลดละความชั่วต่างๆที่เกิดขึ้นแล้ว เมื่อทำอยู่เช่นนี้ปริมาณของความดีก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาณของความชั่วลดลงลดลงความสมงบก็จะเกิดขึ้นในระดับหนึ่งแม้จะไม่ต้องนั่งสมาธิก็ตามพอถึงมีการจเจริญสมาธิจิตใจมันก็พร้อมใจมันก็พุ่นสามารถที่จะทําให้เกิดความสมงบขึ้นได้ในเวลารวดเร็ว เคยค่ากับบ้านเรือนที่เรามันปาดกวาดดูแลรักษาอยู่เรื่อยๆมันก็พร้อมจะนั่งจะนอนได้ทันทีแต่รอให้สะสมมักหมมปุ๋นละองทุเีอยากใหญ่ต่างๆไว้มากกว่าจะนั่งจะนอนได้ก็วุ่นจิตแต่เราก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะแนวจิตสิกขาจึงมุ่งสงบจิตเป็นหลักสาคัญแต่ํามสงบจากอะไรก็สื่อสงบจากความคิดประเภทนิวรทั้ง5ประการนันที่สุดกัน ซึ่งสามารถกระทำได้ในเรียบทั้งหลายไม่ได้เจาะจงโดยรูปแบบพิธีการแต่ประการใดแต่เน้นที่จิตสงบริวอนเป็นหลักสำคัญต่อจานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป